เรสวดมนต์ไหว้พระในหลาครั้งเราก็จะบูชิุูชิส่วนบุญส่วนบุญส่วนให้สัตว์สัตว์ประสาททั้งหลายหรือก็ตุกที้เราทำการแผ่เมตตาให้กับสัตว์ประสาททั้งหลายด้วยมันก็เป็นสติหรือเป็นข้อเตือนใจที่ที่ดีนะว่าคํำสอนของพอระพุทธเจ้านคือท่าน ให้เรารู้จักมีเมตตาต่อสัตว์สัตว์ท่างหลายหรือว่าให้เรารู้จักสระนะสระสิ่งทีนะ่เราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีเชนะ่นเราทาบุญเราก็รู้สึกว่าการทําบุญก็เป็นสิ่งที่ดีมันก็ให้เรารู้จักสระออกไปเรืย่ยนะสระก็คือว่าเรารู้จักแบ่งปัน เพื่อจะให้คนอื่นด้วยไม่ใช่เราทําเพื่อลองที่เราจะเอาอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเราเก็บเก็บอย่างเดียวแล้วก็มันหวงแทนไว้นะหลายคนนะคิดว่าเราแผ่ให้กับคนอื่นแล้วเรมีบุญหรอืออะไรนะเราให้กับคนอื่นหมดเราจะเอาอะไรมาใชนะ้มันเป็นมุญกี ความคิดตรงนี้ยมันเหมือนแทนที่มันจะสร้างอบุญกุศลจริงๆเกิดเป็นไงจริ ง, ร ง, ร ง, รงมันกายในการสร้างความเห็นแก่ตัวสร้างความเห็นแก่ตัวกลัวว่าเราจะไม่ได้นะความดีไม่ได้บุญกุศลแต่ที่จริ ง, รงยิ่งยิ่งเราสดะนะยิ่งเราสดะยิ่งเราให้ยิ่งเราไม่หงอยแหนะนะ่นั่นแหะมันกลับยิ่งได้ ตอนที่เรามีเมตตาให้กับคนอื่นให้อาไปกับคนอื่นเราก็ได้รับความสุขใจได้รับความสบายใจนะหรือบุญกุศลที่เราทำเราอุทิศให้กับคนที่เสียชีวิตหรือว่าสัตว์ก็จะตั้งหลายที่ตกได้ยากนะเรารู้สึกอื้อเราได้ระดับความเห็นแค่ตัวนะแล้วก็ไม่ต้องห่วงแหนว่าบุญของเราจะมากจะน้อยเท่าไหร่นะ จ่เหลือมากเหลือนะ้อยก็ไม่ต้องคำนึงนะ mm hmm. เพราะว่ายิ่งคำนึงมากบางทีมันก็ยิ่งยิ่งเกิดความเพ็นแค่ตัวในจิตในใจนะอันนี้ก็เป็นคติที่ดีนะ mm hmm. เหมือนเออเราภาวนาและปฏิบัติธรรมตัวเหมือนกันนะทำละวานทำละวานนะไม่ต้องไปเกาะอครองรักษานะตัวสติเนะะี่ยก็ รู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางแล้วก็รู้ใหม่เนะี่ยมันจะเป็นตัวที่ให้เราเกิดความไล้าคล้ายไม่ไปยึดติดไม่ไปหงแหยไม่ไปไม่ต้องไปรักษาเพราะว่าเรารู้ว่ามันเป็นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะจิตที่รู้ก็เป็นชั่วคราวจิตที่หลงเองก็ชั่วคราวเต่อนกันเราฝึกแบบนี้นนะ แม้แต่ตัวรู้เราก็ไม่ติดตัวหลงมันก็ไม่ติดนะมันมีแต่ทางผ่านไปทางนั้นเลยนะแต่ถ้าบางทีบงทีเราเน้นแบบสมาธิเนี่ยมันต้องรักษานะรักษาใจให้สงบนานๆนะรักษาอารมณ์ให้มันดีๆต่อเนื่องนะถ้ามีอะไรมากระทบมันก็รู้สึกเตกือนเพราะว่ามันเหม่วยเราต้องคอยรักษา มือนเราต้องคอยเช่นน้ําเต็มแก้วแล้วเราต้องคอยคือเรต้องคอยรักษาไม่ให้น้ํามันกระชอบนะไม่ให้มันโผล่ออกไปอันนี้มันเหนื่อยนะแต่การภาวนาจริงๆเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆตั้งน้ําไว้กับที่นะก็แค่ดูแลมันไม่ให้อะไรมารบกวนแต่ถ้ามันเปิดวิสัยยะอะไรจะมารบกวนเนี่ยให้น้ํามันโผลให้แก้วมันไปมันก็ปล่อยไปไม่ชั่งหัวมัน ก็ทำความสะอาดก็หาแก้ใหม่มาใช้ประโยชน์เรมันเหมือนเนะี่ยคือสภาวะอารมณ์เวลเราภาวนานะก็บางครั้งภาวนาดีนะก็ก็แค่รู้มันดีนะภาวนาดีใช่ไหมก็ทำแล้วมันรู้สึกตัวเมื่อัวหลงนะหรือว่ามันเกิดความเบาเกิดความสบายเกิดความขยันะหรือว่าเกิดความ สมัมบูรณ์แวังอันนี้ก็เป็นผลของการภาวนาสระบูรณ์แลวงังเช่น ไ, ไม่จำเป็นต้องพูดก็ไม่พูดนะไม่จำเป็นต้องดูก็ไม่ดูนะไม่ไม่หาเรื่องราวมาคิดนั่นคิดนี่หลายโปรเจกต์อะก็อันนี้จึงเป็นเสร็จสัมเองนะแต่เราภาวนาดีๆเนะี่ยมันจะหาเรื่องอื่นมามาคิดมาปุงมาแต่งนะน้อยแลงออกมาดีนะ มันจะเกิดความสํารวกอีกซีั้งหมดนะแม้เป็นงานที่เราต้องทําแม้เป็นสิ่ที่เราต้องเกี่ยวข้องอคนแต่เราก็จะไม่ค่อยหลมเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้แบบเงี้ยนะแต่ถ้าต้องคุยต้องพูดก็คุยได้นะแต่เป็นอว่าไม่ใช่ทําแบบถสนานเพลิดเพลินนะบางทีคนไทยนะไม่ค่อย พ้นจี่นนะเวลาเราทำงานต้องมีเสี่ยงหวัวเราะต้องแย่กันต้องเล่ น, นกันถึงถึงจะได้ว่าทํางานด้วยความสนุกนะแต่ที่จริงอันนั้นไม่ไป็นสนุกแบบชวนกันหุกนะชวนสนุกแต่ก็ไม่ใช่ว่า เ, าเสียงหัวเราะไม่ได้นะแต่แต่บางทีก็ไม่ใช่เหมือนไม่ใช่ว่าต้องแบบทําตัวเหมือนเหมือนตลกคาเฟ่แบบนี้นะที่ บางทีหน้าฉากดูสนุกสนานดูมีความสุขแต่ลำพิชากเองก็ก็มไม่ได้มีความสุขจริงๆ ก, ก็ทุกข์แบบนี้นั้นที่จริงเวลาเราปฏิบัติธรรมก็เวลาเราต้องเกี่ยวข้องกับการงานแล้วก็มันจะมีความสมันโด่งระหว่างข้ออะไรเพราะเรารู้ว่าถ้าเราเผอไปพูดเล่นเผอไปแย่เผอไปอะไรมากเนี่ยจิต หลังจาก น, นั้นมันก็จะพุ่งสร้างเยอนะพุ่งสร้างนะที่เปิดไปนั่นแหละนะเราก็จะเกดความสํารวมระหวังขึ้นมาอีกหรือว่าอะไรไม่ควรดูอะไรไม่ควรทํามันก็จะมันก็จะทําให้เรามีเวลาภาวนานมากขึ้นบเพรานะว่าเวลาในชีวิตเราจริงมก็มีไมนะ่มากถ้าบางทีเราเอาไปใช้สะการงานที่ บางทีก็ไม่เป็นสาระประโยชน์มากเนี่ยมันก็หมดเวลาไปแม่มนก็ไม่ใช่แค่หมดเวลานะแต่แต่จิตที่มันเปนหมกมุ่นกับอกุศลอกุศลในที่ส่นใหญ่มันจะเป็นที่เราทำนั่นสิแล้วคือจะเป็นแบบความหลงหลงคือหลงเพื่อเพือนเพื่อ น, พ, น, พ, นพอยใจไปทำเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะ มันเพลินไปแล้วนะ่ะพอมันจะมาปฏิบัติอีกทีมก็มันก็ต้องดึงกลับมามาตั้งหลักใหม่มาเริ่มใหม่บ่อยๆเนะี่ยมันก็เหนื่อยคนระับอันั้นเราก็จะเกิดความสั่นรวมระหว่างมากขึ้นเนะมื่อเกิดความสั่นรวมระหว่างมากขึ้นเนะี่ยการปฏิบัติมันก็จะต่อเนื่องไปได้ได้ดีขึ้นคนระับแล้วก็เนีมันจะเกิดการทำคนนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ มัจจิตไม่ได้ก็จะเป็นตัวเตือนเรานะเออตอนนี้ว่างแล้วเนาะเนะมื่อว่างไม่ต้องยุ่มการมามันก็จะกลัดมาแะลึกปรู้ว่าเรากระทำทำอะไรนะหรือตอนไหนมันว่างจริงว่ามันก็จะเกิดความตั้งใจที่จะนะทำรูปแบบสักหน่อยจนะิกมือหายใจเด้นจันคงอะไรนะหรือว่าเช่น เราขับรถไปรถมันติดไฟแดงเหลือร้อยวินาทีนะแทนที่เราจะตอ้องคิดนั่นคิดนี่มากแล้วก็ก็ดีเหมือนกันเราไปให้มันไปเขียวเร็วไม่ได้แต่เราก็ทําให้เรามีสติขณะที่ติดไฟแดงได้นะแล้วก็นขนาดตรงนีน้เราจะช่วยโอกาสกลับมารู้สึกตัวได้ไบ่อยๆ มันจะรู้สึกทำเป็นธรรมชาติเลยนั่นว่างๆเมื่อไหรก็รู้สึกตัวนะทำแบบคนอื่นเห็นบ้างทําแบบคนอื่นไม่เห็นบ้างล้วก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็ทำแบบนี้ยมันจะเป็นการแบบรักษาอารมณ์ในการภาวนาให้มันต่อเนื่องขึ้เนเะรื่อยเมื่อเราภาวนาแบบเ น, นีน้ต่อเนื่องขึ้นะแต่ก็ต่อเนื่องแบบ ทำแล้วก็หวานนะหมายถึงว่าไม่ไม่ใช่ว่าต้องคอยแบบประคองนัต้องรักษาแล้วก็อาศัยการรู้เป็นครั้งนี่แหละนะรู้เป็นครั้งรู้เป็นครั้งบางทีมันไม่คิดก็ไม่ไม่ต้องสงสัยนะบางทีแต่ก่อนเอ้เราทําไมแต่ก่อนเราคิดมากพอภาวนาไปสักทัานึางทีก็มันไม่คิดไม่คิดก็ต้องไม่ไม่ต้องไปคิดแล้วทาไมไม่คิด ก็แค่กลับมารู้ตายก็พอเพราะบนจีนก็ชวนให้สงสัยเอ้นสงสัยว่าทำไมไม่คิดแะไรจีมันคิดนะเราวางตอนนั้นเลยนะล้วก็รู้ไปไปนะรู้ายไปเรื่อยเพราะการรู้ความคิดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องไปคอยคอยค้นหาเพราะตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่หรือว่าตอนนี้เรามีอารมณ์งงอะไรเกิดขึ้นอยู่ ไม่ต้องไปคอยค้นหามันเป็นเหมือนคล้ายมันเป็นปรากฏการที่มันถ้ามันเด่งมันชัดมันก็เกิดขึ้นของมันเองะมันเกิดขึ้นของมันเองเหมือนก็คล้ายเสียงอนะมันมีเสียงเราก็ได้ยินเองแต่นี่มันเป็นเหมือนเสียงภายในใจนะเป็นความรู้สึกภายในใจถ้ามันเด่นมันชัดมันก็รู้ของมันเอง ถ้านไม่เด่นไม่ชัดก็ไม่ต้องกังวลอะไรมันก็ก็รู้สึกถึงการกระทําถึงรา่างกายเลยเกิดอึดอัก่อนก็ก่อนนะเ <c oughs> พราะบางทีนะบางทีจิตเราก็ไม่ได้ไปสนใจข้างในเราก็สนใจข้างนอกเป็นหลักเราก็ไม่ผิดนะนะบางทีนักปฏิบัติธรรมก็จะสงสัย <c oughs> เราทำไมช่วงนี้มันไม่ค่อยฟุ้งไม่ค่อยคิดในจริงก็ เป็นธรรมชาติของมันบางครั้งบางขนาดเท่านะั้นนะแล้วก็รู้สึกร่างกายลยกว่าหรือบางช่วงมันไม่ค่อยมันคิดมากหรือเตินนะก็ไม่ต้องสนใจนะคิดมากก็รู้มันคิดมากนะแต่ถ้าเรามีจิตจริงๆนะมันคิดเรารู้มันคิดเรารู้มันคิดแล้วก็รู้ความคิดมันเะไม่ยาก การคิดว่าก็จะเป็นประโยชน์ทําให้เรารู้มากไม่ได้ว่าเป็เรื่องผีดนะบางขนาดมันคิดแต่เราก็รู้ว่ามันคิดเนี่ยมันได้ประโยชน์นะยิ่งถ้าสติเราเร็วขึ้นนะบางทีอาการผลจิตมันไม่ทันปรุงเป็นความคิดหรืออารมณ์บางขนาะมันแค่ๆแบบแบบแบบในใจไม่ทันจะรู้ว่ามันเป็นอะไรได้ซักนะ ที่เป็นแยกแยะได้แต่มันแค่รู้สึกตั้แล้วบางอย่างนะเกิดสภาวะมันจะไหลไปเนี่ยมันมันรู้ทันเมื่อมันรู้ทันมันก็มันก็ถัดมาของมันเองก็มีนะอืมมันก็แล้วแต่ขณะจิตนี่คือจิตจิตแราถ้ามันเร็วขึ้นมันก็จะเห็นเหตุการณะที่มันไหวนะะเนี่ยที่หลวงพ่อเพิเขียนนะื่อคืนเมื่อวานนะจิตนะจริงก็คือ มันมีการเคลื่อนมันมีการไหลเหมือนกันนั่นแหละนะอาการจิตที่มันเคลื่อนบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าเราจิตแบบเคลื่อนไปทปางตาเราไปจ้องดูอะไรแล้วเน่ะหือจิตแบบเคลื่อนไปอยู่ในสิ่งที่เราดูแล้วนะเคลื่อนไปจิตเราเคลื่อนไปทางหูนะไปสนใจหรือนะบางทีก็เคลื่อนไปอะไรก็ไม่รู้แหละนะเป็นแค่รู้สึกความเห่แบบนี้ จิตมันมันเคลื่อนไปนี่คือมันเป็นพัฒนาการถ้าเราภาวนาไปมันจะเห็นอ้อมเห็นการเคลื่อนเห็นเห็นอาการต่างๆที่มันเป็นเรื่องหลังการกระทําหรือองค์วามคิดต่างๆแต่หลักสำคัญก็คืออะไรถ้าเราไม่มีสตินะเราจะม่อคีมันมันมันรู้สึกได้แต่มันไม่มีหลักในการกลับมา เพรนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีฐานภาวนาเรืองอย่างหนึ่งมันจะทำให้คล้ายๆตอนมีหลักในการกลับมาเนะี่ยเหมือนอุบาอาจารย์ทีเปรียบเทียบก็เหมือนเชือกนะที่คอยผูกเวลาเราจึงมมาหรือว่าจึงวัวจึงมควายอนะไรเราปลูกไว้มันจะไปไหนก็แล้แต่แล้วก็แค้ดึงมันขับมามันเป็นเชือกที่ผูกไว้ระหว่างคนก็บสัตวนะ์อันนี้ก็เหมือนกัน เราก็เป็มีเชื่อที่ปลูกไว้ระบายจิตใจนะกับความคิดหรือความหลงนะความคิดนะมันก็ไปก็ไปของมันแต่เรามีสติมันก็จะกลับมามก่อนนั่นเองมันก็จะไม่เติดไปไกแต่ความว่าสติผ่าดหรือผ่าดสติ ก, ก็คือเชื่อมันผ่านนั่นแหละมันไปแล้วมันไม่กลับมาไปแล้วมันไปเติร์ดหลายเรื่องหาลายราวนะแต่คำว่า ม, ามีสติ ก, ก็คือเนะี่ยมีเชื่อ นะปูดไวนะ้เรารู้มันนะมันทำอะไรไม่ได้เป็นมากก น, นั้นะดับอันนี้สิเราก็ต้องขยันทำนะพอเราขยันทำนะมันก็เกิดความแยกทายมากขึ้นนะมันก็จะเห็นสภาวะลนะองดูดีๆนะกายกนะายมันเคลื่อนไหวนะอะไรมันรู้อยู่กนะายมันเคลื่อนนะ ใจมนะันรู้นะเห็นไหมหรือบางทีจิตที่เคลื่อนไปนะแต่ก็ยังมีจิตอีกตัวนึงนะที่มาคอยการรู้เมื่อกี้มันเผยไปนะเห็นไหมจิตสองจิตเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะความฝืนดีนะจิตที่มันเคลนะื่อนเอ น, นี่ยมันเคลื่อนด้วยอำนาจของนนะจิตเลยนะจิตที่รู้เนี่ยมันรู้ด้วยสติปัญญาเนามันเป็นคนละอันกัน หรือบนทีปรมาจารย์นั้ก็พูดแบบเอง้ง่ายๆให้บอกนะไอ้อตัวจิตนะ่ะคืออาการภูมิแต่งต่างๆแต่ธรรมชาตินะคือตัวใจนะใจคืออาการปกติอาการที่เดิมแท้ที่ไม่ไม่ภรุงแต่งอะไรบางทีนั่นก็พูดสั้นๆว่าจิตกัแบบใจนะใจมีสภาวะเดิมแท้สภาวะรู้ส่นเบิก บ, บาน นะสภาวะปกติแต่จิตคือสภาวะปรุงแต่งสภาวะอาการต่างๆความคิดความหลงต่างๆนะมันมีอยู่คู่กันแะต่จะได้พูด ง, ง่ายๆมันก็มีนะมีกายมีใจแล้วก็มีจิตกายคืออาการของรูปธรรมต่างๆที่เราก็เปลี่ยนแสดงอาการไปเรื่อยๆรนะวมทั้ง เวทนาของกายเลยอันนี้ก็เป็นป่วยของกายความปวดความเหนื่อยความหิวความรอ้อนความหนาวนี้คือกายพอแสดงอาการของกายจิตนก็คืออาการรู้สึกรู้คิดอะไรต่างๆ่างนี่แหละเป็อาการของจิตที่เขาสแสดงไปแต่ใจนี่มันเป็นธรรมชาติที่ไม่เปลี่ยนแปลงนแม้กายจะเป็นอย่างไรแม้จิตจะเป็นอย่างไร แก่ใจเนี่ยมันเป็นปกติธรมรมดานะสิ่งสำคัญคือนกนะารกลับมารู้สึกตัวจะทําให้เรากลับมาอยู่กับใจที่เป็นปกตินะมันจะไม่หลงไปกับไม่หลงไปจมกับเวทนาของกายนะความปวดความเมื่อยความเจ็บนะไม่หลงไปอยู่กับอาการของจิตนะที่หลงไปคิดหรือว่าหลงไปเศร้า หลงไปวิศกงมลอะไรนี่คือพอเรามีสตินะมันจะกลับมาหาหาใจนะใจที่มันปกติแต่เมื่อขาดสติอ่ะเนี่ยกไจะหลงไปสองทางนั่นแหละหลงไปทางอาการของจิตบ้างหรือว่าหลงไปไปกรมลนละไปรักษาที่รูปบ้าง น, นะขัมีสติทำให้เราเห็นวโอ้มันแยกแยะได้นะ เพราะธรรมชาติมันเป็นแบบนี้แต่ก่อนเราไม่รู้จักธรรมชาติตัเนี้เราก็คิดว่าทุกอย่างเป็นเรานะเป็นเราโดยเฉพาะเราสำคัญนั่นหมายว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นเราลูกมันเป็นเราแล้วก็จิตอาการของจิตต่างๆ่านี่คือเราเท่านั้นเลยเราเป็นผู้คิดเราเป็นผู้สุขเราเป็นผู้ทุกข์ เราเป็นผู้เสียใจเราเป็นผู้มีใจมันเป็นเราเท่านั้นเมื่อมันเป็นเรามันก็เลยเต็มเลยนะแต่ทุกขก็ทุกขเต็มเต็มแต่สุขก็สุข เ, เต็มเต็มนะดีใจเสียใจก็เต็มเต็มเต็มที่เลยหรือถ้าเรายึดในร่างกายว่าเป็นเราเนี่ยร่างกายมันสบายมันก็เอมมันก็ไมีทุกข์เท่าไหร่แต่ถ้าร่างกายมันไม่สบายเนี่ยมันทุกข์มาก มันก็ไม่คงที่ก็ไม่ช่วแต่ตายมันช่วยขั้นใจด้วยเพราะว่าเราห่วงเรากังวลเรากลัวนะว่ามันจะไม่หายเรากลัวมันจะตายแต่ถ้าผู้ใดมีสติปัญญาเต็มที่นะนะต่อไปมันจะพัฒนาจากการที่เราแยกแยกสภาวะแยกเห็นแล้วว่าอันนี้เป็นเกิดของกายอันนี้เป็นเกิดของจิตอันนี้เป็นเกิดของใจนะ มันจะค่อยแยกไปมันจะเห็นอะไรเห็นว่าออันนี้มันเป็นทุกข์ของกายเนาะอันนี้เป็นทุกข์ของใจเนาะทุกข์ของจิตเนาะมันไม่ใช่ทุกข์ของใจมันเป็นเพียงแค่อาการที่เกิดขึ้นกับกายอาการที่เกิด ข, ขึ้นกับจิตแต่มันไม่เกี่ยวข้องกับใจที่มันเป็นปกติอยู่มันจะเห็นว่ามันเป็นทุกขนะ์ท่ า, าทนภาษาลุงพี่เขาบอกทุกข์ของรูปทุกข์ขอ ง, งานานะ เห็นดเห็นแค่อาการเมื่อมันเห็นทุกนะบ่อยๆมันก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในสภาวะตรงนั้นแหละจะเรียกง่ายๆว่าเห็นไตรัะเห็นไตรัดของลูกเห็นไตรัดของนาม้ะตัวอย่างมันเป็นไตรัดทั้งนั้นเมื่อเห็นไปเยอะๆนะเอริ่มแรกมันเราจะถอนถอนความเห็นผิดะว่าตายเนี้มันเป็นเรา เรียกว่าลักตระกยาทิฏฐิไปได้ก็คือความสำคัญวัตถุหมายว่าร่างกายเนี้ยมันเป็นของเรานะมันจะเห็นถูกว่าเอนร่างกายเนี้ยมันเป็นมันก็เป็นสัตว์แว่าเป็นธาตุนะสัตว์แต่ว่าธาตุที่มาประกอบกันต่างกายเราเนี้ยมันก็เป็นธาตุสี่ร่างกายอื่นๆก็เป็นธาตุสี่ที่จริงไม่แต่ตู้ของต้นไม้นะก็เป็นธาตุสี่ รูปของห้ารูปของแมวนั่นก็เป็นธาตุสี่นะมันหมุนเวียนเปลี่ยนกันเท่านั้นนะร่างกายนี้แตกดับไปก็ไปประอกอบเป็นอาหารให้กับร่างกายอื่นธาตอื่นนะมันก็เปลี่ยนไปเท่านั้นนะถ้าเรามองเป็นแบบนี้นะอืมันก็จะมันก็ไม่หลงไปยึดนะ่ะเอ้ยไม่หลงไปยึดว่ามันเป็นกายของเรานะมันก็องมันมีใคเรเอายืมเข้ามาใช้ แต่คนเราสนใหญ่พอพอเขาจะเอามาทวงคืนนะอย่างเช่นบางทีความป่วยนะความแก่เนะี่ยคอเป็นหมายเตือนจากเยมมาล่าว่าเขาใกล้ไปมาทวงอออร่างกายที่คืนแล้วนะแต่เราก็จะรู้สึกวันไหวนะเวลามีคนมาทวงนะเราสืกเรายังไม่อยากให้เรายังไม่ฟ้องที่แต่ให้ ไม่อยากให้ไม่พอที่ให้พ่ออะไรเพราะเวลาเราใช้เขาเนี่ยเราเป็นหลงคิดว่า เ, าเป็นของเราจริงๆนะอืหรือบางทีเราก็ใช้แล้วก็มีภาระมีความผูกพันกับการงานกับผู้คนต่างๆามากมายจนรู้สึกเรายังไม่พร้อมจะจากโลกนี้ไปนะแต่เนี่ยแต่ที่จริงเขาหนักเตือนให้เราเระลึกว่าเตือนใจไมพร้อมเรืองยัง อีกไม่นานเธอก็อจะต้องจากโลกนี้ไปแล้วนะอะไรนะอืมนี่เป็นการเตือนนะความแก่ก็ดีความป่วยก็ดีนะความใกล้จะตายเนี่ยเขามาเตือนเราว่าเขาจะมอเอาธาตุอะไรนี้นคืนไปแล้วนะแต่ถ้าเรายังมีความหลงผิดหรือว่าในชาตินี้ที่เราเกิดมาเราทําไม่ดีนีเนี่ยเราก็จะได้พบชาติใหม่ที่มัน ทุกทรมานมากกว่ น, น, นี้อืมทุกนะก็คืออาจจะเป็นเป็นภพเรียกว่าเป็นตุ้ดิเป็นทุกขติภูมินะก็คือภพภูมิที่มันเป็นทุกข์มากกว่าสุะแต่ที่จริงเราโชคดีนะที่ชาตินี้เราได้เป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นภพภูมิที่เรียกว่าทุกข์ก็ทุกข์อยู่สุขก็สุขอยู่นะมันไม่ทุกข์ไม่สุขมาก เหมาะกับการภาวนาที่เฉยอ่าอบปูนที่ทุกข์มากมันก็ภาวนายากนะอบปูนที่สุขมากเนี่ยก็ภาวนายากนะอืมเพราะเมื่อมาสุขสบายมา ก, ม, ากมันก็ไม่อยากจะมาเรียนรู้ทุกเนะีมันมันเห็นความไม่เที่ยงไม่ชัดนะเห็นความทุกข์ไม่ชัดนะแต่บางคนทุกข์ามากเนี่ยมันเห็นเป็ทุกข์แต่ไม่เห็นทางพ้นจากทุกข์ มัรู้สึกมีมีแต่ทุกข์เกินไปแต่ชีวิตมนุษย์เราเนี่ยมันต้องมีทุกข์บ้างสุขบ้างนะแต่จริงสิ่งที่มันมีที่เราเห็นอจริงถ้าเราภาวนาไม่จะเห็นทุกข์กับไม่ทุกข์นะมันจะเข้าใจว่าไอ้ที่เราเรียกว่าสุขเนี่ยที่จริงมันไม่ใช่สุขจริงๆรนะมันเป็นทุกข์กับเป็นทุกข์มากกับทุกข์น้อยจริงจไม่มีอะไรถูกจริงๆเหมือนกับร่างกายเรานี่ ตอ น, นี้เราว่าร่างกายเราไม่ป่วยร่างกายเรามีความสุขสบายดีแต่จริงจริงจะเรียกอีกอย่างเรียกว่ามันทุกข์น้อยดีกว่าเนชะ่นเรานั่งอยู่นี่สบายนะแต่นั่งไปสักพักหนึ่งมันก็จะที่มันทุกข์น้อยแต่ในเสร็จทุกข์มากขึ้นเพราะความปวดเข่าเพราะความปวดหลังนะหรือเรากินข้าวอิ่มๆสบายๆเนะี่ยแต่จะเรียกว่าทุกน้อยแต่พออาหารเลื่อยไป นะก็จะทุกข์มากขึ้นนะถ้าคนมีสติปัญญาจะไม่ปรา ม, มามันจะมองว่าเออามขานเนี้ยเออตอนนี้เรายังไม่แกรมากเรายังไม่เจ็บมากเนี่ยทุกข์มันยังน้อยอยู่แต่ไม่ใช่มันไม่ทุกข์นะมันทุกข์ของมันเอยู่แต่มันยังไม่มากยังไม่บีบพันมากนะเราจะเห็นเออมันเป็นแบบนี้พอเราเห็นแบบเนี้ยเราจะไม่ไม่ปรา ม, มา เราจะไม่ประมาทเพาะเราจะเห็นว่าต่อไปไมัปนจะทุกข์มากกว่า น, นี้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจทุก อ, อย่างนะอันนี้ยิ่งถ้าใจระลึก ถ, ถึงว่าบางทีมันมีอุบัติเหตุมีอะไรเกิดขึ้นมาเนะก็จะยิ่งไม่ประมาทนะไม่ผัดวันประกันพุ่งนะไม่รอไม่รอว่าจะต้องภาวนากันเราแก่ไม่รอว่ า, า, า, า, าเ ร, า, ร า, าต้องเลิกงาน ก, ก่อนค่อยภาวนานะ ว่นตอนเจ็ดเฉลยอากาศภาวานาบ่อยๆนะอืมมันจะรู้สึกว่าชีวิตนี่มันประมาทไม่ได้วันนี้พรุ่งนี้เราจะเป็นอย่างไรวิถีหรือแม้แต่ชั่วโมงข้างหน้านาทีข้างหน้าเราจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราจะไม่ประมาทมันจะคล้ายๆเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนนะเตรียมใจในการที่เอะไรที่เกิดขึ้นมาก็มันไม่แน่เนาะแต่ตอนเนี้ยเรามีชีวิตอยู่เราภาวนาก่อย มันจะเห็นว่าเรื่องราวทาโลกมันก็มันไม่มีใครจะออกไปได้จริงๆนะแต่ น, นี่มันไม่ใช่เป็นความคิดนะแต่สติปัญญามันจะเห็นแล้วก็มันจะรู้สึกเลยเราก็เพียงแค่ใช้เขาชว่วยพาวสุดท้ายเราก็ต้องจากไปนะอย่างที่เราได้สวนะโลกนี้มันค้องอยู่เป็นยิ่งเนาะไม่รู้จะกินมไม่รู้จัดเบื่อนะ เราไปจากโรคนี้ก็ อ, อะไรไปไม่ได้แต่เราก็เพีแค่ใช้ได้เฉยๆนะใช้ใช้สนะิ่งที่เขียวข้องกับโลคนี้ใี้ดีที่สุดแต่ถ้าชีวิตนี้เราใช้ชีวิตด้วยสติแล้วก็ปัญญานะทำสิ่งดีๆละสิ่งที่ไม่ดีจนะิตมันก็จะเกิดความพร้อมในการจากไปของมันนะแต่ถ้าชีวิตนี้เราวน นะทำสิ่งที่ไม่ดีเยอะเนะี่ยจิตมันก็กลัวเกิดความกลัวว่าชีวิตข้างหน้าอาจจะต้องไปรับผลของกรรมนั้นหรือที่จริงอีกส่วนหนึ่งก็คือมันเกิดความละอา ย, นะ ล, ะอายละอายและอายแก่ใจเก่งกลัวผลบาป ท, ที่เราได้ทําแต่ถ้าใครทําชั่วน้อยๆเนียนะ่ยมันก็ไม่ค่อยละอายใจมันก็คือละอายนะ แล้อ่าจใจไม่กล้าทานั่นแหละแต่จีิงแล้ ว, นะวไม่ไม่กลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทําดีที่สุดแล้วเหมือนจดที่คายเหมือนเราตั้งใจอ่านหนังสือแบบนี้เนาะเพื่อตจะสอบนะเมื่อเราตั้งใจอ่านเต็มที่ขอข้อสอบอะไรออกมานะล้วก็ทําเต็มที่แล้วนะ่ะมันได้แค่นั้นเราก็ยอมรับมันเต็มที่นะอืแต่ถ้าคน ไม่ได้อ่านหนังสือไปทําก็ทําได้ไม่เต็มที่ผลข้อสอบผลออกมามันก็มันก็ได้ไม่เต็มทีนะ่มันจะไปโทษใครอ่ะก็ต้องโทษตัวเราเองใช่ไหมที่เราไม่ได้ทําเต็มทีอ่อันนี้ก็เหมือนกันนะเวลาเราภาวนาเร า, า, นานก็เราก็ทําให้มันเต็มที่นะทําให้มันเต็มที่แต่มันจะได้ขนาดไหนนี่ก็เป็นเรื่องของมันนะอย่าไปอย่าไปกังวลมาก เหมอนราอ่านหนังสือเราเตรียมตัวสอบเราจะทําทเต็มที่แต่มั น, นอาจจะไม่ได้เต็มร้อยหรอกอ <c oughs> อาจจะได้เกรดเอหรือเกรดบี B. แล้วก็ไม่เป็นไรนะเวลาเราภาวนาเองก็เหมือนแต่เรวก็วไม่ต้องไปคาดทันคาดหวามตัวเองมากเราก็ผิดแค่ทํำเหตนะุทําเหตุใยการมีสติไปเรื่อยๆ มันจะพัฒนาของมันเองนะพัฒนาจากอะไรจากที่มาผู้ตอนแรกจากที่แต่ก่อนเคยเป็นคนตันิีทีเหนียวเป็นคนเห็นแก่ตัวมันก็ยึดจากตลาดนะตลาดทงวัตถุภายนอกตลาดคือจัดแบ่งปันบุญกุศ ล, ลให้กบับคนอื่นนะใครขอความเมตตาจากเราเราก็ให้ความเมตตาได้นะใคร นะอยากให้เรารู้ที่เกิดมือกุโสดให้เราก็ทําไม่ได้แบบไม่ต้องห่วงแหงไม่ต้องมีความคิดนึง ม, มาต่อตา้านไม่คืเกิดความเสียสละรเรารู้ว่าเราพอจะช่วยใครได้เราก็ยินดีที่จะช่วยนะไม่ห่วงแรงตายไม่ห่วงเวลาของเราเงีงมันจะเกิดความเสียสละขึนะ้นนะนักภาวนาจริงๆเนะี่ยไม่ใช่คนเห็นแค่ตัวนะไม่ใช่คนเก็บ nước, เนื้อเจ็บตัวอย่างเดียวนะแต่ ถ้าเราจะทำอะไรที่บเป็นประโยชน์คนอื่นเราก็ทำเรียกว่ามันจะเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะประโยชน์คนอื่นเราก็ทําประโยชน์ตัวเราเราก็ไนะ้เกิดความเสียดายขึ้นในใจิตในใจของเราเกิดสิ้นขึ้นนะสิ้นคืออะไรมันเกิดความละอายไม่้าดําชั่วไม่คาพูดชั่วนะมันคิดขึ้นมาแล้วแนหะอาจจะคิดชั่วนะ แต่ก็คิดแล้วไม่กล้าทำแล้วก็มีสินน ะ, ะตัวถ้าเราไม่รู้ทันความคิดเนี่ยมันจะทําการความคิดหรือพูดตามความคิดนแต่เมื่อเรารู้ทันความคิดนะมันก็เกิดความละอายไม่การาทำไม่การพูดแต่พอภาวนาไปเยอะแล้วนันเอแม่แต่ความคิดมันก็จะที่เคยคิดชั่วคิดไม่ดีเนะี่ย มันก็จะค่อยๆเบาลงนะค่อยๆเบาลงนะแต่ก่อนมันก็มันคิดบ่อยเพราะอะไรเพราะเช่นเราโกรธนะมันขือใจมันมีโทสรมันค่อมมันก็เลยคิดไปพยายามบาดเปเบียดเบียนคนอื่นแต่พอใจเรามีสเบีรู้ทัน่ะแค่ไม่พอใจเกิดขึ้นมาเนี่ยเรารู้ทันอ่ะมันไม่เป็นความโกรธใหญ่นะความคิดมันก็ไม่กลุ่มเป็นพยาบาทเป็นอะไรเป็นมากนะ หรือเราพอชีวิตเรามีความสุขในแต่ละวันนะพอใจในชีวิตของเราเองความยากความโรคอยากจะได้เหมือนคนนั้นคนนี้อยากจะได้มากกว่า น, นนั้นคนนี้เนี่ยมันก็จะความไปเองก่อะไรเรามีความสุขใจในชีวิตของเราเรารู้สึกว่าแค่เรารู้สึกตัวเนี่ยชีวิตมันก็มีคุณค่ามากแล้ว คุณค่าไม่ได้อยู่ที่วัตถุสิ่งของไม่ได้อยู่ที่ที่อเสียงเกียรติยศนะแต่คุณค่าในจริงคือเนี่ยเมื่อเรามีสติเรามี ค, ความปล่อยวางเราเห็นคุณค่าตัวเองนะแต่ก่อนเนี่ยคนไปคิดว่าต้องให้คนอื่นเห็นคุณค่าของเราเราถึงจะมีความสุขแต่เอาวนาไปจริงๆเนี่ยคนอื่นเขจะเห็นคุณค่าของเราหรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้นะแต่เราจะรู้สึกว่า เราเห็นคุณค่าของตัวเราเองนี่ก็พอละเรารู้ว่าเราไม่ทำเชื่อเรารู้ว่าเราทําดีเรารู้ว่าเราไม่ปิดใจไม่ไม่โกรธไม่ เ, มม เ, เกลียดใครเนี่ยมันรู้สึกภูมิใจตัวเอง น, ะนางทีภาษาพระรนนะี่ท่านบอกว่าเหมือนไหว้ตัวเองได้เขอรกตัวเองได้อันนี้มันจะ็นสิ่งมันก็ดีมากขึ้นไอ้ความรู้สึกแบบนี้เรียกว่าเป็นสมาธิก็ได้สมาธิ ความมั่นคงไม่หวั่นไหวนะไม่หวั่นไหวว่าใครจะทำดีก็ไม่หวั่นไหวเพราะอะไรเรารู้ว่าเราทำอะไรนะแล้ใครจะทาดีเราใครจะเข้าใจผิดเราเราก็ไม่หวั่นไหวนะยิ่งสงสารเขานะนะยิ่งสงสารเขาที่เขาไปเถือพูดแบบนั้นทำแบบนั้นนะนอะ เราก็ยิ่งสงสารแต่เราก็ไม่หวั่นไหวไปปับคำพูดคนไม่เข้าใจเนี่ยมองเป็นโลคกระทเป็นเรื่องธรรมดารวมทั้งไม่วไหวั่นไหวเวลามีอะไรได้เข้ามาในชีวิตมีคนสรรเสริญเยนยอวก็มันก็รู้ว่ามันก็มันก็เขาเขาว่าถูกนน ก, กอันโมทธนากับเขาเขาย่มมากเกินไปก็ แค่ยิบๆก็ไม่นัองไปอะไรมากดยประมาณนะั้นก็ไม่เปมีหลมตัวลืมตนนะเราก็รู้ตัวว่าเราดีขนาดไหนเราไ้านขนาดไหนก็แค่นั้นไปนี่คือมันมีสมาธิมันมั่นคงนะมั่นคงที่เกิดจเพราะใจเราสงบสงบจากโลกกระทำไม่วันไหวไป่ตับลินทาไม่วันไหวตับสรรเสริญไม่วันไหวไต่อ ลากรถที่มันได้หรือมันเสีย น, เยนะอืนะไม่เหวื่นไหก็เพื่อนจะน้อยหรือมากนะบางทีเราภาวนาไปบางทีเพื่อนหลคนอาจจะน้อยลงนะเพราะว่าเพื่อนกินมันเยอะเพื่อนกินมันน้อยลงก็เลยได้่เพื่อนแท้นะกนะ็ไม่หวั่นไหวนะอืมไม่หวั่นไหวไปกับทนนานเท่าไหร่เราก็รู้สึกเออความั่นคงในใจนะข้อคิดจริงไม่หวั่นไหวเพราะอะไรเพราะเราเชื่อคํา เพราะว่าเรารู้ว่าเราทํากันอะไรก็ต้องได้รับผลเช่นนั้นแล้วก็เชื่อว่าแท้ที่จริงแล้วใครช่วยเราไม่ได้อนะ <c oughs> มันอยู่ที่การกระทำอยู่ที่ใจของเราเท่านั้นนะเราเจ็บไข้ได้รวยเนี่ยเพื่อนผู้หมอก็ช่วยได้เพีแค่ร่างกายแต่ไม่มีใครช่วยใจเราได้เลยถ้าเราไม่ฝึกใจของเราเองนะแม้มีพักมาเตือนมีพักมาบอกแต่ถ้าเราไม่ทํานะเราก็ เราก็ไม่ไม่เกิดผลนะหรือเปลี่ยนเหมือนกันคนอื่นก็ช่วยเราได้เหมือนเหมือนแม่ครัวพ่อครัวทาอาหารให้กับเราแต่ถ้าเราไม่กินเองเนี่ยเราก็ไม่ได้ประโยชน์มันจะรู้สึกแบบนั้นคนอื่นเขาแค่ช่วยเราอยู่แหละแต่คนที่ต้องช่วยตัวเราเองไมากท่ดคือตัวเราเองนี่แหละข้อหมมันจะเกิดความเชื่อมั่นนะ ควเชื่อมันจะเรียกเป็นสติปัญญาก็ได้นะเชื่อเชื่อคำเชื่อาการกระทําของเราเนะีเชื่อว่าถ้าเรามีสติออมันก็ไม่ทุกเลยเนาะแล้วก็กลับมาหาใจานะที่เป็นปกติได้แล้วมันจะเชื่อว่าถ้าขาดสติเมื่อไหร่เนี่ยมัน ก, ก็มันก็พุ๊บมันก็หลบไปได้นะมันจะเชื่อเท่านั้นแต่มีให้เชื่อแบบเชื่อแบบ ปัทธากุบอยอาจารย์เชื่อเพราะความคิดเข้าใจเหตุผลนะแต่เพราะมันเห็นเชื่อเพราะมันเห็นเห็นว่าเขาเม่อมันมีสติมันรู้ตัวเนี่ยใจมันก็ไม่ทุกข์ไม่สุขอะไรเนาะมันก็ธรรมดาตอนที่ขาดสตินิดนึงน่ยมันเห็ น, นแค่ไหลไปคิดแค่ไหลไปเจี่ยงต่ออารมณทุกอย่างเนี่ยมันมันเสียความปกติเนี่ย เมื่สียควาปกติเนีมันจะเห็นเหตุนาการมันได้บ่อยๆพอใจมันเห็นนาการตัวนี้บ่อยๆแหละใจมันก็จะเกิดความคล้ายๆมันจะลึกใต้พิภพโน้มนับตอนแรกก็แรกสตินี่เหมือนเราต้องสร้างเราต้องแบบพยายามพยายสร้างขึ้นมาแต่พอภาวนาไปเรื่อยๆเน่ะมันมันขยันของมันโดยธรรมชาตินะมันเหมือน ระ่ึกได้เองบ่อยๆเมื่อใจมันเผลอมันระลึกได้ของมันเองไม่ต้องไม่ต้องมีคนคอยเตือนมันก็รู้ได้ของมันเองนะหรือเมื่อกายมันเคลื่อนมันก็รู้ของมันเองนะเราเดิจนจมกรบ่อยๆที่จร่เราสร้างใจหมายบ่อยๆเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมันระลึกได้ตื่นตันเสลื่อไหวเพื่อมันมีการเคลื่อนไหวในชีคิดมีจำบันมันก็จะระลึกได้บ่อยๆนะ เราหายใจมันก็จะลื้อได้เราหยิบนั่นหยิบนี่มันก็ลื้อได้ของมันเองหรือใจมันเปิดไปคิดมันก็จะลื้อได้ของมันเองอันนี้เราฝึกให้มันจะลื้อได้บ่อยๆต่อไปมันจะลื้อได้ของมันเองะจะเรียกว่าเป็นอัตโนมัติมากขึ้นก็ได้ต้องพอมาจะลื้อได้บ่อยๆมันรู้ตัวบ่อยๆมันก็จะวางบ่อยๆนะครับวางอารมณ์บ่อยๆ วางความคิดโดบ่อยมันก็จะไม่สะสมไม่สะสมเป็นความเครียดไม hey, ่สะสมเป็นความโกรธไม่สะสมเป็นความอยากแบบไม่มีที Pokemon ่สุดม่มีไม่สะสมเป็นความเจตีกายเป็นผู้หลงนี่ไม่สะสมควาาะไม่สะสมคือผัดตัดเียช่วงช่วงช่วงช่วงไปชีวิตก็เป็นเพียงแค่ทีละขณะทีละขณะทีลนขะ แต่การอย่างที่ว่าชีวิตชีลักษณะแต่เป็นชีลักษณะที่มีสตินะชีลักษณะที่รู้แล้วก็วางเนี่ยเรียกเป็นชีวิตที่เบานะเป็นชีวิตที่มี ค, มความสุขนะเมื่อมีสิ่มีสติมีมีสมาธิมีสติปัญญานะสุดท้ายนะมันก็เกิดเรียว่ามรรคผลวิภานนะเกิดวิภานก็คือ ความปล่อยความวางความบ้างความเย็นนะความบุดพ้นนะในทางพุทธศาสนาทนะ่านนี้สอนเยแค่แคทานศีลธรรมาทิสปัญญานะแต่สุดท้ายมันต้องบุดพลนด้วยนะวิมุตติบุดพ้นนะเพราะบางทีคนทงโงกบางทีมันพอพูดคาว่าปัญญาเนี่ยปัญญามไม่ใช่ปัญญาแบบโผลทุกข์แต่เป็นปัญญาแบบ เอามาคิดเอามาเตี่ยงกันเอามาเอม า, าคัดค้าดเอาเหตุเอาผลกันนะแต่ปัญญาในทางพูดจริงๆคือปัญญาที่แบบไม่ทุกนะปัญญาที่ไม่ที่ปล่อยวางนะไม่ไปทะเลาะเพราะแย่กับใครนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้นะเขาพูดได้แต่ไม่เป็ดใจไม่ไม่เอาถูกเอาผิดไม่เอาแพ้เอาชนะ ก, กับใคร แต่ใ น, นสิบัญญาติของเรามันจะยอมได้เย็นได้นะเนี่ยคือมันเป็นผลของการภาวนานทั้งนั้นเนาะนะขอให้เราลองเอาไปเอาลองไปทําดูนะเอย่ยเพึ่งเยเชื่ออย่าเพึ่งไม่เชื่อนะแต่พึ่งรีบรับอต่พึ่งรีบปฏิเสธนะรีบรับโกงโก้เกินไปนะเราเชื่อแบบที่เราไม่แน่ใจหรือปฏิเสธเลยว่ามัน ผมไม่ใช่ผมไม่เป็นหรือว่าเราทำไมได้เองมันก็ไม่ใช่นะจริงจรมันอยู่ที่เราลองไปทําดูแล้วมันเกิดผลอย่างไรในชีวิตของเราเองนั่นแหละเราสังเกต ด, ดูมันเกิดผลอย่างไรกับตัวเราหรือผลที่เราได้ทําเนี่ยมันส่งผลอย่างไรที่กับคนอื่นไม่สังเกต ด, ดูกับใจเราเย็นขึ้นคนอื่นเขาอยู่กับเราเขาก็เย็นขึ้นไหม พอเราโกดน้อยลงเนี่ยชีวิตจิตใจมีความสุขมากไหมนะ่ะรูปเพื่อนฝูงเขามีความสุขตามเราไปไหมนะ่ะเนี่ยมันก็ตองสังเกตรหรือว่าตัวเราเองได้คนอย่างไรนะคนรอบข้างการงานได้คนดีกำับเราอย่างไรหรือถ้าเราขาดสดีไปใจเราเป็นแบบไหนมันทุกข์ไหม คนอบข้างเราทุกไม่ตกผลกระทบต่อคนอื่นไหมเนะี่ยเราก็ลองสังเกตดูนะสังเกตแต่ก็มันจะเกิดอะไรก็ก็อย่าที่มาว่านะเกิดอะไรก็วางเมันไป <c oughs> ท่าของมันทําใหม่นะทําใหม่เราก็รู้ละรู้แล้วก็ทําใหม่รู้แล้วก็ทําใหม่นะผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆนะมันก็จะเกิดความนี่ไม่ต้องไปยึดติดนะว่าเป็นเอาจริงอาจริงมาก นะมันก็จะทําให้เราภาวนาไปได้เรนะื่อยๆเนี่ยค่อยๆฝุดฝนไปเนาะอย่างให้แต่ละวันแต่ละเวลานะมันจะทําอะไรนะมันก็ไม่เกินไม่เกินเรียก ว, ว่าไม่เกินการังที่เราจะทําได้หรอกนะแค่รู้สึกตัวเฉยเฉยเนะี่ยมันได้ขับมาหาใจที่คิเป็นปกติเ น, นี่ยแหละนดอกออกใจที่เป็นปกตินีน่แหละเอาไปเกี่ยวข้องกับคนอื่ เกี่ยวขกับการมาน่ะมันทําได้เลยนะเมื่อใจเราเป็นปกตินะเราก็จะไม่ทําด้วยอัตติด้วยความอัตติด้วยความรักด้วยความชังด้วยความกลัวด้วยความหลงน่ะมันจะมีสติเข้ามาแทนที่สติปัญญาไม่ได้มีความข้าวหานะมีความกล้าตัตินใจมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวนะแต่ทาอะไรกนไม่หวั่นไหวเนี่ย มันจะมาแทนที่แต่ก่อนเราวันไหวด้วยความกลัววันไหวด้วยความรกวันไหวด้วยความเกรงใจอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่พอเราอิสติปัญญามากขึ้นมันก็จะไม่วันไหวเกิดความมั่นคงแต่ก็เกิดความก่อนโยนอยู่ในตัวนะไม่ใช่แข็งกระด้างไม่ใช่เป็นคนยับยั้งคงท่านไม่ใช่เป็นคนที่ตรวจบน ใหญ่โตอนะไรนั่นะเนี่ยเนี่ยเราก็ดูรวมนาะจากการภาวนาของเราเองนะก็คงพอตนควรในเวลาเนาะช่วงนี้นะการพักผ่อน